بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عضوان إلا على الظالمين و ل ا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما ب ع د فإن خير ا ل ح د ي ث كتاب الله وخير ا ل ح د ي ث ل ح د ي محمد صلى الله عليه وسلم و ش ر أمور م ح د س ا ت ه ا وكل محدث بكل م ح د ث ة ب ل ع, كل ب ل ع ل ه كل بلع ض ل ا ل ه ك ل ض ل ا ل ه في النار รับบ ظلمنا إ ن س ص ن ا و إ ل ا د َ ق ف ل, ل ن, ن ا و ر ح م ن ا ل ن ك و ن م ن ا ل خ ا س ر ي ن ر ب ن ا إ ن ن ا س م ع ن ا م ن ا د ي ي ن ي ا د ي ا إ م ا ن ا ل م ب ر ب ك م ف م ن ا ر ب ن ا ق ف ل ن ا أ ل و ب ن ا و ك ف ر ع ن ا س ي ت ن ا و ت ن ا م َ ل ا ر ب ن ا ت و ت ن ا م ا و ع د ت ن ا ل ر س ل ك ولا َ ت خ ز ِ ن ا يوما قيامة إنك لا تقلب ا ل ي ع ا د َ الله ع ا د ن ا ا ح ح ق ح ّ ه ورزقنا اتباعه و ع ه ر ِ ن وعرين باطلا باطلا ِ ورزقنا اجتناده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ทำไปเลยละอัลลอฮฺสวาฮาตาลาให้เดือนให้วันเวลาให้คืนวันให้เดือนแล้วก็ให้ปีให้อายุของเราได้ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็ว อัลอมะรนอัลลอฮฺซักฮาตัลัยอัลลอฮฺมะรุ่นมหาเราแล้วก็เราได้ใช้ชีวิตอยู่ในเดือนอมาอนแล้วก็อมาอนกาลังจะจากเราไปอัลลอฮฺซฮาตลอักุรอานอยู่กับเรา เราก็ได้อ่านได้ศึกษาเรียนรู้ยิ่งอ่านยิ่งเรียนเราก็ยิ่งเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอันกุรอานแน่นอนที่สุดความยิ่งใหญ่ของอันกุรอานรือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺมะฮ์ตะละความรอบรู้ของพระ อ, องค์ เราก็ยังเห็นว่า <c oughs> เราได้ให้สิทธิกับอัลกุรอานน้อยมากๆมาเมื่อดูถึงสิทงที่ลอสฮัตาลาประสงค์จะบอกกับเราประสงค์ที่จะสอนเราครับพราหรับเราในรัมบอต น, นี้สุรัชพัทเตศ วันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายในเดือนมอมตันที่เราจะศึกษาสุรหัฟาติบร่วมกันแล้วก็เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งว่าเราไม่สามารถที่จะศึกษาสุรหัตฟาติบอิทับซีสุรหัตฟาติบได้จบกับในช่วงของเดือนมอมตันวันนี้เราก็จะ ครับสิ่งที่วางแผนไว้คือจะไปถึงอายะที่25อินชาอัลลอฮ์หลังจากนั้นก็ อ, อายะที่26อินชาอัลลอ์เราก็คงจะศึกษากันต่อหลังจากเดือนร้อนกับรอมานอายะวันนี้นะครับก็คือตั้งแต่อายะที่18นะครับถึงอายะที่25 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تذر وازرة وزراء أخرى. وَإِنْ تَدَعُ م ُ س ْ ق َ ل َ ة ٌ إِلَى خ ِ م ل ِ ه َ ا لَا يُحْمَلْ م ِ ن شَيْءٍ وَلَوْ كَانَ ذ َ ا ق ُ ر َ ب َ إنما ِ تُنذِرُ الَّذينَ يَخشونَ َ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُ الصَّلَاةِ วَ م َท զ ัَกَเเฟอิِนามَเ ت َ ز َ ك َาลีนัศซีวเَนทَักกาَเฟอินนามาเِทซักกَลีนัศซَวมาเยสตัวออมา พาเมนะว่าไว้แล้วหลังนี้ไม่ต้องกลัวแล้ว وللظلمات وللنور ا ولا وللظل والحور وما يستوي الأحياء ولا الأموت. إن الله يُ إ ي ُ س م من يشاء إن الله يُسمع من يشاء وما أنت بمُسمع ِ من في القبور ُ إن أنت إلا نذير إن ن ت ا نذير إ أرسلناك بالحق مشرعا ونذيرا وإم ครับแค่นั้นครับอุ้มพระเจ้าแผ่นัินพระเ้าอุ้มนะนอนาดจริงๆแล้วเต็มไปด้วยหลักเต็มไปด้วย ขออ้อใดนั้นค้นอว่า้วขอว่าด้วยใน้อะยาลักแห่งการดำเนินชีวิตที่สำคัญหลักแห่งสิ่งที่ที่เป็นความจริงเป็นศั จ, จธรรมที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นเที่ยงตรงที่ปรากฏที่จะปรากฏนะครับที่เราอ่านจากอายะจึ่ง ม, มีมีหลายเรื่องด้วยกัน แต่ว่าเมื่อมนุษย์ไม่เข้าใจเมื่อเราไม่เข้าใจหลักแห่งอันกราชชีวิตของเราก็จะผิดเพี้ยนความคิดของเราก็จะผิดเพี้ยนทัศนคติของเราก็จะผิดเพี้ยนเรามาดูอายะนะครับที่เราได้อ่านไปแล้วอายะที่สิปละตาจิรู ว่าจระดูวิจระ อ, อรื่นๆ Allah al-azim Allah สร้างแต่ละชัยคำคำเดียวกันนะครับรกักศัพท์คาเดียวกันถึงสามคำนะครับถึงสามคำคือวิจรจากคาว่าวิจรุณนะครับที่เราเห็นอยู่ข้างหลงัง ลาทั้งว่าดรตุว oh, ิจเรออัครวิจเรคือสัมภาระสัมภาระที่เราแบกซึ่งสัมภาระในที่นี้มันจะแปลว่าเป็น บาปความผิดเกิดคว่าลาตซรลาตซรตซรก็เป็นกริยาของคาว่าวิทรก็คือแบกวาซราตุนก็เป็นคานามเป็นอะไรครับเป็น อ้สมุนไพรเป็นผู้กระทำผู้แบกจะไม่ผู Demon ้แบกอะไรครับวาสิรอจนผู้ที่แบกภาระจะไม่แบกภาระอุครอวิเซรออุครอก็คือภาระของคนอื่นก็แปลว่าอะไรครับคนคนหนึ่งจะไม่แบกบาปของคนอื่น ไม่มีใครแบกบาปของใครได้นะครับว่อินตะเลอมุสกละตุนว่อินตะเอมุสกละตุนอีลาห์หิมลิฮะถึงแม้ว่าจะมุสกละตุนคนที่แบกหนักอึ้งเนี่ยแบกไม่ไหวแล้วเนี่ยมุสกละ จะเรียกจะขอให้คนที่แบกคนหนึ่งที่แบกอยู่เนี่ยให้ช่วยแบกให้ช่วยรับภาระอิละเฮมลีฮาอิละคำอ่ะอิละเวลาเราแบกของนี่เราก็เรียกเพื่อนว่ามาช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยไม่ไหวนะอันนี้ก็เหมือนกันจะจะแบ่งภาระให้กับคนอื่นอิละเ ม, มลีฮาลายอ uh มันมินหูก็ไม่ไม่มีไม่ก็จะไม่ถูก แบ่งภาระอันนั้นไปจากไปจากเขาได้ใช่แม้แต่น้อยก็คือจะแบ่งบาปให้คนอื่นช่วยแบกนั้นช่วยรับไม่ได้เออแต่ถ้าหากว่าคนที่ขอช่วยเนี่ยเป็นคนเป็นคนใกล้ชิดล่ะเป็นลูกของเราอย่างนี้เป็นพ่อของเราอย่างนี้เป็นแม่ของเราอย่างนี้ เป็นโตอะไรนะโตกีโตแช์ของเราอย่างงี้เป็นคนใกล้ชิดนะอนัลลอฮฺบอกว่าอัลลอฮฺสุหัตต์ละปฏิเสธบอกว่าแม้จะวาลูกาน่ากุรบะคือคนที่บาปเยอะแบกเยอะหนักอยู่เยอะแล้วเป็นญาติของเราเป็นญาติที่ใกล้ได้กุรอบาญาติที่ใกล้ชิดของเราจะขอให้เราเนี่ยแบ่งภาระบาปที่เขาแบกอยู่เราก็ ไม่รับอินนามะตุน ذ ิรุน ذ ر ا ل ذ ي ي น ي خ ش و ن ر ب ّ ه م ب ا ل غ ي บแท้รจริงเจ้าเป็นพูดเจ้าเพียงแต่เป็นพูดเตือนเพียงแต่เป็นพูดเตือน บรรดาผู้ที่ยำเกรงหรือเกรงกลัวพระผู้เป็นเจ้าพระโออภิบาลของพวกเขาในที่ลับหมายถึงว่าบินกัยนี้ก็คือว่าไม่ใช่ต่อหน้าคนเวลาเขาอยู่รับหลังนี่ก็กลัวอัลลอฮฺมหะตะลามายควมเจ้าเป็นเพียงเป็นเพียงผู้ที่ตักผพูดที่เตือนสำทับเตือนให้กลัวคนเหล่านี้แหละถึง คนเหล่า e นี้แหละที่กลัวที่กลัวจริงๆใครครับท ah um. ah um ah ah. ี่กลัวจริงๆอัลลอดีนายักษ์โสรบะฮฺมเตือนที่ได้ผลยามอัมมาสซัลลอฮฺละห่าวิสลัมผู้ที่เจ้าเตือนอย่างได้ผลคืออัลลอดีนายักษ์โสรนอับะฮฺมบินไรบ์วะอักอมัสซาลาและคนที่ดำรงไว้ซึ่งอัลซาลาซึ่งเราจะได้ทราบว่าหลักอะไรจับหลัก สหลักแล้วนะครับอายะนี้วามันตาจักกาฟะอินนามายาตาจักกาลีนับซีและผู้ใดที่ตาจักกาขัดเกลาตนเองได้ขัดเกลาตนเองหรือได้ชําระขัดเกลาตนเองให้สะอาดฟะอินนามายาตาจักกาที่จริงๆแล้วเขาก็การขัดเกลาของเขาหรือกที่เขาขัดเกลานะั้นก็เพื่อตัวเขาเองสามแล้ว ว่าอินลอฮินมัสซิรและอย่างอัลลอฮฺสุลฮะตัลลาคือที่กลับไปอันมัสซิรหรือปลายทางสี่นี่หลักหลักใหญ่นี่หลักใหญ่เลยอลอฮมัสซลาวิวมส ลาอิศอวีมาไม่ใช่ม่ามาอิศะวีอามาวัลบซีรมาเน้นเป็นมาปฏิเสธและไม่เท่ากันไม่เหมือนกันลาอิศะวีไม่เสมอกันยิศะวีก็เท่ากันถ้ามายิศะวีไม่เท่ากันระวังอัลอามะคนตาบอด คนบซคนตาดีคนตาบอดกับคนตาดีไม่เท่ากันไม่เหมือนกันวันบดุลมาดวันนูรแล้วก็ความมืดทั้งหลายนั้นก็ไม่เหมือนกับไม่เท่ากับแสงสวา่างวันซิลวัลฮารูแล้วก็ร่มเงาเนี่ย ที่เราอยู่ข้างล่างแล้วเราอยู่ใตร้ร่มเงาเนี่ย ร, รู้สึกสบายนะครับได้รับความร่มเย็นรอดพ้นจากแสงแดดวันและค่ำแล้วก็ความร้อนหรือแสงแดดไม่เท่ากันที่ร่มเงากับแสงแดดความร้อนเนี่ยมันไม่เท่ากันหัวแม่มมมยศวินอัคยแล้วก็ สิ่งที่มีชีวิตที่มีชีวิตสิ่งที่มีชีวิตวลวลอัมวดกับสิ่งที่ตายเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเหมือนกันไม่เท่ากันเหมือนกันอินนัลลอฮะยุสมียวไมยาชะอัลลอฮสุฮาตลทรงให้ผู้ที่พระองค์ไมยาชะยุสมีอัลลอฮฺสุฮาตลทรงทำให้ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ได้ยินหัวมาอันตะ และเจ้ามุฮัมมัดสุลลัลฮวาลลัยวลัมบมุสมี่ยไม่ใช่เป็นผู้ที่ทำให้ได้ยินมันทำให้ใครได้ยินครับมั่งฟินกบูรคนที่อยู่ในกบูรไม่ได้ยินอินอันตะอิลล่านาซรเจ้าไม่ใช่ใครอื่นใดอินตัวนี้เป็นปฏิเสธนะครับ อินอันตะเจ้าไม่ใช่ใครคอื่นนอกจากเป็นเพียงนาฎีดเป็นผู้เพียงผู้ตักเตือนหรือผู้นาผู้เตือนสำคับเตือนให้กลัวนาฎีดแปลว่าผู้ที่เตือนให้กลัวการลงโทษของลอสแาร์ตะลัครับหมดอาย ะ, ะความหมายโดยเข้าๆนะครับก็ถ้าเราจะแปลให้ได้เป็นถ้อยคำก็ นในอายะห์ที่สิบแปดก็ไม่มีผู้ใดแบกบาปของคนอื่นไม่มีใครแบกมันไม่มีคนนะครับไม่มีผู้ใดที่แบกบาปของคนอื่นไม่มีใครแบกบาปของใครนี่เป็นหลักที่ใหญ่มาก ไม่มีบาปไม่มีใครที่แบกบาปของคนอื่นได้ละจัฮมินนัสูวิจรออครามนุษย์คนมุฮาซับ阿拉 أعماله อโลสวะตาลาจะคิดจะพิพากษาตามการงานของเขาเองไม่ใช่การงานของคนอื่นเวลยุฮาซับอนอินซันาม أعمال غيره เรจะไม่ถูกนะครับคิดพิาพากษาจากการงานของคนอื่นและจะไม่รับแบกรับบาปของคนอื่นมีคำอยู่คำหนึ่งในภาษาอัง บ, บอกว่าอิ น, นสนอิ น, นสานมุขตัด บ้านมุขตารอ Allah ละตลาให้มนุษย์เนี่ยมุขตารเป็นอะไรครับเอว่าให้เลือกชีวิตของเราอยู่ในต้องเลือกต้องเลือกตลอดเวลาเลยต้องเลือกตลอดเวลาแม้ในายามที่ข้าขันเราก็ต้องเลือกเหมือนกันนอกจากการงานที่ไม่เลือกก็มีเหมือนกันการงานที่ไม่เลือกไม่ดีอยู่ในเราไม่ ไม่ทันคิดไม่ทันได้ระ ว, วังไม่ทันได้วางแผนไม่ทันได้ศึกษาอาจจะมีเหมือนกันเจ่นความตายอุบัติเหตุความเจ็บป่วยมันก็ทันหันเหลืเกินน้ำท่วมไฟไหมเพราะต่งางๆแต่ต้องถึงวินาทีสุดท้ายก็ต้องเลือกเหมือนกันน้อยนัาที่จะให้คนอื่นเลือกนอกจากว่านอกจากอะไรครับหมดสติไปแล้ว คนอื่นก็ต้องเลือกให้วไว้อย่างไ น, นจะพาจะพากลับบ้านหรือว่าจะให้อยู่โรงพยาบาลต่อในสภาพที่ไม่เป็นไม่ตายนั่นคนอื่นเลือกให้แต่ส่วนใหญ่แล้วเรามุกตาร์วะฮัวอิบเนูซาตีฮีใช้คำภาษาอับดับที่ก็ไม่เหมือนกับภาษาอืน่อ น, นอิบเนูซาตีฮีมนุษย์อิบนูซาตีฮีมนุษย์เป็นลูกของตัวเอง แปรแปรแปตามตัวมนุษย์เป็นลูกของตัวเองก็คือว่ามนุษย์เนี่ยขึ้นอยู่กับตัวเขาเองอันนี้ไม่ได้เราใจไม่ได้ตัดเรื่อง Allah ออกไปนะแค่ว่าหลังจากที่ Allah สร้างตลาดสร้างมาแล้ว Allah สร้างตลาให้ทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วให้ที่ได้ยามาแล้วให้นั้นกุร้านมาแล้วทีนี้มนุษย์ก็มุขตอบมนุษย์ต้องเลือก ล้ตะกุนอานารบไบตูฟีบีเอตินเซียเราเป็นคนไม่ดีเนี่ยเราบอกว่าผมนี่ได้รับผมเนี่ยถูกดูแลมาในในนะครับในบรรยากาศในสภาพแล้อมที่เสียเวลาเราทำความชั่วเนี่ยเราก็อาจจะบอกกับใครว่าที่ผมเป็นช่นนี้เนี่ยเพราะสิ่งแวดล้อมพาผมไป ิ่งแวดล้อมเจตนามีนักเรียนเราทำผิดบอกว่าโอ้เราก็รองรัวแต่ว่าเด็กคนนั้นระดับไหนอะขึ้นมาเล็กเองแต่ขึาา้นมาเล็กแล้วเราบอกว่าเพราะครอบครัวขเขาทำให้เป็นไปโอไ้ไม่ได้ถูกแล้วไม่ค่อยจะถูกเท่าไหร่แล้วอ่านหนังสือได้แล้วคิดเป็นแล้ว รู้ว่าจะกินรู้ว่าจะดื่มรู้ว่าจะทําอะไรแล้วเนี่ยไม่ใช่แล้วแต่ถ้าหากว่าเด็กยังไม่อยากเป็นมาเล็กพูดไม่ได้เลยอย่าโทษครอบครัวแล้วโอมันโทษไม่ได้เต็มที่มันพูดได้แต่จริงๆแล้วอินทรสั้นมกธาเขาเลือกเพราะกฎหมายก็มีกําหนดว่าเด็กเด็กที่อะไรนะเด็กที่ถึงบรรลุนิติภาวะแล้วเขาก็ต้องแต่กำ บ, บรรลุนิติภาวะของมนุษย์ก็อาจจะแตกต่างากัน อยากอากของเราเนะ่ยเป็นบาเล็กของเราของเรานี่ชัดเจนเลย อ, อาอินนี่สําคัญมากอาเปนคือรู้จักแยกแยะแล้วบาเล็กก็เกี่ยวกับเรื่องเรื่องสตีระนะเรื่องสตีระทางร่างกายว่าพร้อมที่จะมีครอบครัวพร้อมที่จะสืบทอดผพันธุ์พร้อมในเรื่องเพศอาเิ็นเนี่ยสำคัญมาก ผมถูกอะไรครับถูกตัดเวี้ยตัดเวี้ยโดยถูกหล่อห้อมมาในสังคมที่เสียอาจจะเป็นคำพูดของเราผมที่ผมเป็นอย่างนี้หรืออาจจะบอกว่านาแล้วเขาก็บอกว่าคนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของเขา อ, อืมแล้วก็ อยู่กับอะไรครับบางทีก็จะอ้างครอบครัวบอกว่าเพราะครอบครัวเขาถึงเป็นอย่างนี้วันที่เขาพูดนะวันไหนวันที่เขาอาบนิลวันที่เขาบาลิกวันที่เขาโอบเป็นผู้ใหญ่แล้ววันที่เขาทํางานแล้ววันที่เขาโอ้สามารถที่จะสอนสามารถที่จะบอกคนอื่นได้วันนั้นเขาบอกเขาอ้างกลับไปว่าที่เขาเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะครอบครัวเขามัใช่ไหม ไม่ใช่นะเขาบอกว่าอัลอซอฮอาจจะมีส่วนอยู่บ้างแต่ว่าอัลอซอฮ์ฟีอัลฟินามฟินมะอัลอัลบฮัวอิบนาที่ถูกต้องที่สุดแล้วกมนุษย์เนี่ยขึ้นอยู่กับตัวเขาเองที่จะเลือก อิบนเอ็กตียร์รือฮิวเขาก็จะเป็นผลผลิตจากการเลือกของเขาเลือกแนวทางของเขาเลือกชีวิตของเขาเลือกวิถีชีวิตของเขาเลือกการศึกษาให้กับเขาเองเลือกเลือกอะไรต่างๆเลือกอาหารนห้กับเขามีอาหารอยู่สองอย่างว่าเลือกที่กินอยากกินอันไหนมีไฟกับมีไฟกับน้ำแข็งเลือกอันไหนถ้าจะเอาเย็นก็ต้องเลือกน้าแข็งถ้าจะเอาร้อนก็ต้องเลือกไฟ บอกว่าทางหนึ่งมันหายนะอีกทางนึงเป็นทางไปสู่ความเสเด็จต้องเลือกเอ า, เอาลอสวาตาลาถึงให้อีกเคราะห์ให้อ่านให้ศึกษาเพื่อมนุษย์จะได้กู้ข้อมูลมนุษย์ที่จะได้รู้จักเลือกรู้จักใช้ปัญญ า, อาลอสวาตาลาให้อ่านกระานมาแจกแจงให้คิดให้ให้อะไรต่างๆเยอะแยะบากมายเพื่อให้รู้จักเลือก เคยอ่านหนังสือของเช็คอัลฮิมห์ลาล์เช็คมาลีตอนต่อวีหนังสือชื่อเรืงสือว่าตักริฟามบิดีนินอิสลามนะแนะนำอิสลามแนะนำอิสลามหน่อยภาพรวมของอิสลามเป็นยังไงในบทแรกๆจำได้ว่านั้นเขียนว่า เบื้องหน้าเราเนี่ยเบื้องหน้าคนทุกคนเนี่ยเหมือนกับเขากำลังจะเดินทางจะขับรถอยู่หรือจะเดินจะขีม่ม้าขี่ช้างขี่ยานพาหนะเบื้องหน้าเขาเนี่ยมีป้ายอยู่ป้ายบอกเป็นทางสองแพร่งเบื้องหน้าเขาเป็นทางสองแพร่งทั้งขวาเขียนป้ายไว้ว่าทางนี้ เป็นทางที่จะไปถึงที่ที่เราจะไปเดี๋กเก็บอกรายละเอียดไว้ทางนี้บอกว่ารายละเอียดเนี่ยเต็มไปด้วยหลุมเต็มไปด้วยบอ่อเต็มไปด้วยอะไรเยอะแยะมากยากลาบากมากเลยยากลาบากมากแต่ว่าสุดท้ายคือไปถึงปลายทางอีกทางหนึ่งนทางนี้ไม่ถึงปลายทางแต่ว่า ทางนี้มาฉาลอมีสวนหย่อมทางนี้มีที่พักริมทางมีน้ำตกข้างทางมออีร้านอาหารนะมีรีสอร์ทที่จะพักผ่อนอะไรต่างๆนี่สบายมากเลยสบายมากเลยทางทางทางซ้ายเนี่ยแต่ว่าอา๋อเราจะไปเมืองนูน้นมันไม่ถึงเนี่ยเอาเลือกเอาให้เลือกเอา แฉะนันสำหรับคนเด็กๆสำหรับผู้ที่ศรัทธาสำหรับผู้ที่มีเป้าหมายในชีวิตเขาก็ต้องยังไงไงก็ยากลำบากก็ต้องไปเราจะเพราะว่าตัวสำคัญคือเป้าหมายตัวสำคัญเนี่ยคือเป้าหมายเป้าหมายที่เราจะไปเราจะไปสู่สวรรค์ไปสู่ความสาเร็จต้องผ่านทังนี้ แต่ทุกวันนี้ไม่ใช่เนะีคนมันเลือกทางเนี่ยทางทางอะไรเลือกทางที่ไม่ถึงเป้าหมายาคือเลือกเอาสบายอย่า ง, อ ย, างอย่างนักเรียนนะอย่างนักเรียนเราเนี่ยเลือกสบายเลือกอยังไงก็ไดนไม่เรียนอะไรต่างๆเที่ยวบ้างอะไรบ้างมันไม่ถึงเป้าหมายมันสบายจริงแต่มันไม่ถึงเป้าหมายนะครับ ทีนี้ก็มีเรื่องเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่คนอ้างอ้างคนอื่นอ้างกอดารของอัลลอสุวาฮฺตลลามันคาบเกี่ยวนะคาบเกี่ยวเรื่องอัลลอลลอฮฺกอดรของอัลลอสุวาฮาตลาเอาลองดูเรื่องนี้ไซยิดนะอุมะให้นมาจ่อหูรจุลุน ถนมารุมนกตอเมื่อมีชายคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่ทำผิดแล้วครับก็บบบคือว่าถูกจับถูกจับมาบิตุก์มาติบิตทุก์มาติช่อบินคำบถูกจับข้อหาดื่มเหล้าพามหาอุมา อืมเป็นไงครับจำเลยที่ถูกจับมาเพราะก้อนละหูพอมาถึงอุมอัศก็กลัวใช่ไหมก็กลัวแล้วก็บอกก็พูดต่อหน้าอุมอัศบอกว่าวะโหลฮียาอามีนหมกยาอามีรุนหมกมินีนพอสาบานด้วยอัลลอฮ์โออามีรุนหมกมินี อินนัลลอฮ่าัดดะรอาลัยยาัดดะรอาลัยยาัดดะรอาลัยยานั่นคที่ฉันดืมเล่าเนี่ยรัศมีอวลตระกำหนด่นาว่าไงที่ผมเป็นอย่างนี้เพราะรัศมีอัลตระกาหนด ถ้าโต้ตอบกันถ้าเถียงกันน่าจะไม่จบเลยนะอุมัดบอกว่าไงอัคีมอะลรยิลฮัดมรตัยเพิ่มโทษเป็นสองเท่าให้เพิ่มโทษเป็นสองเท่ามรรตัลี่อันหูชาริบะอัลคัม์เพราะว่าโทษสถานหนึ่งคือ เลว่มรล لأنه อลอีกสถานหนึ่งก็คือว่าใส่ความอัลลอ์สร้างเรื่องขึ้นมาพาดพิองไว้อย่างอัลลอ์สวาหะตะลา ถ้าดูตื่นถ้าดูแบบตื่นๆนะก็กเออมนก็ใช่น ะ, ะถ้าจะไปดูชียิอัว่าไงเชียิอัลบอกแล้วว่าเรื่องตักดีรลกโดนกรดับนี่เป็นเรื่องเฉพาะของอัลลอฮฺสุฮะตัลลามนุษย์ไม่อาจจะยาล่วงรู้ได้แต่สิ่งที่อัลลอฮฺสุฮะตลลาให้มนุษรู้คือเรื่องชายิอัลของอัลลอสุลฮฺะตลลาคุณต้องละหมาดคุณต้อง อย่าไปดื่มเหล้าคุณอย่าทำความชั่วคุณอย่าขรักขโมยคุณอย่าทำสีนาอันนี้คือเรื่องที่อัลลอฮฺสุฮาตละลาให้รู้และให้เราทำแต่นั้นเราไปไปไปอะไรครับ <ś Shield> ไปร่วงรู้สิ่งที่อัลลอฮฺสุฮาห์ตละลาไม่ให้รู้ قال لم يخر لم ي า ر ج ค <im Dog IX> <ال> ่ะไม่นิ้ว اختيار ไปให้ตัวนี้ตัวนี้งานเล่นไม่เว้นเอ้ยความไอ้นี่หายณแล้วความหายณจงมีแก่เจ้าเจ้านี้ นะเสีหาความพ า, ายามนั่เพราะว่าแท้จริงแล้วกอดอของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ของอัลลอฮ์สุลฮะตลาเนี่ยไม่ได้เอาไม่ได้เอ า, เ อ, าออกเจ้าจากการเลือกมาสู่มาสู่บบว่าว่าอยู่ในภาวะที่จำยอมก็คือว่าอัลลอฮ์สุลฮะตลาไม่เคยเอาตัวเจ้าเนี่ยออกจากการเลือกในชีวิตของเราเน AH ี่ยอัลลอฮ์สุลฮะตลานอกจากที่กล่าวไปแล้วว่ามีที่ในมดต้อง ที่เราถูกบังคับอยู่ในภาวะที่จำยอมเนี่ยมันมีกี่กี่กรณีแต่ว่าอโลสพาตา ล, ตละแต่ว่าัดบอกว่าไม่เคยเอโลสพาตา ล, ตละไม่เคยเราออกจากมโยกจากการเลือกมาสู่ที่ภาวะที่ต้องอยู่ในภาวะที่ขับขันหรือว่าไม่มีไม่สามารถที่จะเลือกได้เลยกระโดดอย่างเดียวสมมติเราต้องต้องต้อ ง, ต, อ ง, ต, องต้องกระโดดอย่างเดียวหรือเวลาไฟไหม้ไฟไหม้ตึกสมัยนั้นผมอยู่ใกล้โรงงานนั้น โรงงานทําตุ๊กตาเลยแถวกรุงเทพเกิดไฟไหมไฟไหมอย่างข้างล่างมดต๊อบภาวะมดต๊อบก็คือว่าฟไฟไหมมาจากข้างล่างหน่อยชั้นหนึ่ง ช, ชั้นสองเนี่ยคนที่อยู่ชั้นสามเขาทำไงขึ้นก็ไม่ได้ขึ้นก็ไม่ได้ควันขโมงแล้วก็ทางเดียวคือกระโดดมดต๊อบเลือกเลือกว่าคือถ้าอล่อถ้าล่อให้รอดคือรอดถ้าก็คือว่าความที่ว่ากลัวไฟอ่ะ แสดงว่าเลือกกระโดดเพื่อที่จะให้ผลไฝกระโดดลงมาจากชั้นสามลองคิด ด, ดูสิแต่มีคนรอดแต่อาจจะขาหักบ้างอะไรบ้างสองสามท่อนอะเงย น, นี่โอ้มันเลยบอกบอกว่าอัลลอฮ์ไม่เคยอัลลอฮ์สุฮาห์ตละลาอัลลอฮ์ข อ, ของอัลลอฮ์สุฮาหาต์ตะลาไม่เคยเอ า, ไ ม, เเอาไม่เคยเอาท่านเนี่ยเอาเจ้าเนี่ยออกจากการเลือกว่าเจ้าไม่มีสิทธิ์เลือกเลยอบอก นี่ยเราต้องใช้แบบนี้นะครับต้องใช้สภาพจริงเวลาพูดถึงกอดอกกัดดัมบเขาคนคนในสมัยยุคตน้นซาลาฟสัลฮ์ท่านนบีหรือว่าบรรดาสาวบ้านีเขาคิดกันอย่างไรเรื่องเหล่านี้แต่เราคนในปัจจุบันเนี่ยนั่ง เ, ง เ, งงนน เ, เถียงเรื่องกอดอกกัดที่ท่านนบีเคยโกรธนบีโกรธมากหลยเถียงเรื่องกอดอกกัดเพราะเป็นเรื่องของอัลลอฮฺสวาฮ์ตัลลาห์แต่เรานี่คืออัลลอฮฺพาตัลลาให้เลือกเลือกที่จะเรียนหรือเลือกจะไม่เรียนเลือกที่จะ ย, ยนันหรือว่าจะเลือกขี้เกียจ น, นะครับ เลือกจะทำในสิ่งที่ดีหรือจะทำสิ่งที่ไม่ดีเลือกที่จะเป็นผู้นำหรือจะเลือกที่จะเป็นผู้ตามเหล่านี้เป็นต้นอยู่ในการเลือกทั้งสิ่งเขาบอกว่าเรานี่สามารถเราสามารถที่จะหลีกห่างจาก การลงโทษของลอสวาหัตลาได้อ่าเราบอกว่าอัลลอบอกว่าให้ห่างไกลจากการลงโทษของลอสวาหตลาเราก็เลือกจากเลือกเลือกหนทางที่หาไปลจากการลงโทษของลอสวาหัตลาได้เรื่องทานองนี้ก็ในสมัยของท่านับีุลเบีัลลอฮฺอะลัยฮิสแลมก็เคยเกิดขึ้นฮัดีษนก็เป็นดีดีฮัดดิษหนึ่งที่เป็นหัดดิษสาี้ ซึ่งเราก็เคยอ่านเคยอ่านนะครับเคยผ่านมาแล้ว บ, บ้านบีลลอฮะัฮิซาลมียะท่านนบีใครั้งหนึ่งท่านนบีสลลอฮิสซาลฺมก็ส่งกองทหารนะออกไปทำสงครงาม j i h แต่ว่าเราเรียกนะสริรยะหรือออกไปกลุ่มที่ออกไปนะครับในในการสารยะนี่ก่อจะมีการดาว่าบ้างอะไรบ้าง รหรออือไปถึงขั้นการทำสงครามเนี่ยแต่ว่าไม่มีไม่มีท่านนาบีไปเราเรียกว่าซาเรียไม่นบีไม่ใช่เป็นผู้นำเองแต่ให้ซอฮาบะเป็นผู้นำก็มีครั้งหนึ่งวะอัมมารออาเลหิมร้อยอุลันมิ น, นอัลซอฟไม่ได้ระบุชื่อนบี ส, ละละละสลุลต่ตั้งอามิรจากชาวอันซอรตั้งอามิดคือให้นำเนี่ยให้นำอกองกาลังนี้ไป อามาราุมอายุตีอูหูน บ, บีสุลลฺลอลอฮฺอัสซัมก็ว่าเสียก็สั่งนะบันดานะครับเรียกว่าลูกน้องหรือทหารมุสลิมที่ตามเขาไปบอกว่าให้เชื่อฟังนะให้เชื่อฟังปฏิบัติตามเขาเชื่อฟังนี่ตอัดฟาะกอดอกิบาอาลีฮิมก็มีเหตุการณ์เกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยอามิดโกรธโกรธโกรธ โกรธคนตามเนี่ยอาจจะมีกรณีอะไรที่มันมันมันเกิดไม่ถูกใจนะไม่เกิดเกิ ด, ก ด, ก ด, กดควาคมโกรธนะครับผู้ตามขึ้นมากอล่าวอเลสะกัดอัมรุนนบีสุล ล, ลัาาลลอฮุอะลัยฮุสซาลลัมอันตุตีออนีก็คือว่านะทำนองว่า <c oughs> บรรดาทหารเนี่ยหรือกลุ่มซาฮบะที่เป็นผู้ตามเนี่ยไม่เชื่อฟังผู้นำ พูดนำก็โกรธแล้วก็บอกว่าราสุลล่อไม่ใช่ท oh ่านเราสุดล่อสองร้อยสามมันสั่งให้พวกท่านเนี่เชื่อฟังฉันหรอกหรือทำไมถึงไม่ตามอ่ะขอรู้บาลาพวกบรรดาผู้ตางก็บอกว่าใช่เรา oh สุดล่อสั่งให้เราตามกอดอัจัมตอาลากุมกอลกอดอจัจัมตัอาเลากุมฉันเนี่ยนะตั้งใจตั้งใจอย่างแน่วแน่นะละมละม ลม aja maatum حطبان وأوقد أوقد tum نارا เมื่อพวกท่านเนี่ยไปเอาไปพวกท่านไปเอาไม้ฟืนมาสมแล้วก็จุดไฟสมมาดะขั่นตุมฟี่ฮ่าสมมาดะขันตุมฟี่ฮ่าคืออยากให้พวกท่านเนี่ยเอาเอาญายิพวกท่านเนี่ยจัดโกรธจนกระทั่งถึงว่าอยากให้พวกท่านไปเอาไม้ฟืนมากองสมแล้วก็จุดไฟแล้วก็ สั่งให้พวกท่านเนี่ยเข้าไปในองบฟ้าเก้าว่าเอากรดูหน้าพระเมื่อพวกท่านจุดไฟแล้ววะลัมมาฮัมูบิดดูคุนวะกอละยันซุรุบะอุคุมเมื่อพวกเขานาจุดไฟแล้วจะให้พวกท่านเข้าไปในนั้นแต่เมื่อต้องการอย่างตอนที่ใจจะเข้าไปเนี่ยต่างคนก็นเนอะได้ไงครับมองหน้ากันคนน้นมองหน้าคนนี้คนนี้มองหน้าคนน้นยันซุรุบาอุคุมอิลาบะบาดอุครา เราข้อระบ้อโดยองอินนามาแต่ว่ามีคนหนึ่งที่ยังไม่เข้ากองไฟนะไม่เข้ากองไฟเพราะว่ารโซลอนึกถึงคําสั่งหนึ่งก็คือให้เชื่อฟังอีกคําสั่งหนึ่งคือเออเนี่ยมันไฟเนี่ยมันร้อนก็หันไปหันมาก็คนหนึ่งก็บอกว่าที่ท่านโซลลอสั่งเราเนี่ยอินนามาแทบยาณาับดลบีอะลีย์อัสสลามฟิร่ารับมินันนาที่เราตามท่านนบีเนี่ยเพราะเราหนีจากไฟนะ ไฟดารกที่มาตามท่านนบีนี่หนีจากไฟวันนี้หัวหน้าเราเนี่สั่งให้เราเดินเข้ากองไฟอ่านฝันนั่นดูคุ้นหรือะอานฝันนดูกุ้นหฮะแล้วเราจะเข้าไปในกองไฟอีกหรือพอไปนามาฮุมกาซาเลยก็อข้ามาได้จินนับก็หลังจากนั่นก็ไฟตอนลังเลอยู่นะไฟก็ดับหัวสะแกนากุพอไฟดับ พอดีกับที่หัวหน้านี่หายโกรธที่สั่งให้ลูกน้องเข้ากองไฟเนี่ยไฟดับฮะไฟก็ดับหัวหน้าก็หายโกรธดูเรื่องพดูเระลิ ا น ن ب ي สัลลัลลอฮุอะลัยฮิสแลมเรื่องนี้ถูกนำไปเล่าให้ท่านนบีฟังนบีบอกว่าไงครับลราดะคอลูฮามาคารุจมินฮะอับดา อินนัมตะอาตูฟินมากรุฟนบีบอกว่านี่ถ้าพวกเขาเข้าไปในกองไฟนั้นจะไม่มีวันได้ออกมาอีกแล้วคือเข้ายาวไปเลยเข้ายาวไปไงคือยาวไปไฟนรกด้วยตามหวหน้าตามหวหน้ายาวไปเลยไม่มีวันออกแล้ว แล้วก็ที่จริงนบีบอกว่านี่หลักแล้วอินนามะอัตโอาตุฟินมารุฟเรื่องตออัดเนี่ยในเรื่องที่ดีเท่านั้นให้เชื่อฟังในสิ่งที่ดีเท่านั้นในสิ่งไม่ดีไม่ได้สิ่งที่ไม่สอดคล้องกับอิสลามสิ่งที่มันสวนทางกับอิสลามเนี่ยเชื่อฟังไม่ได้ลตออาตาอัตตลิมักรูกินฟีมักเศรเซติอลกัลไม่มีการเชื่อฟังมักลุกคนไหนมนุษย์คนไหนในสิ่งที่เป็นมักเศรเซตกับอัลลอฮฺศาฮฺะละ เอ็กเตียตร์เต้องการที่ไอ้เช็นว่าเอ็กเตียตร์ให้เลือกตลอดเวลาเนี่ยับขันเลยนะเขสั่งแล้วแล้วก็ใช้หลักว่าต้องเชื่อฟังผู้นําเข้ากองไฟก็ทําผิดเอ็กตียตรให้เลือกถ้าเลือกผิดนะหัวหน้าหัวหน้าก็อยากจะมีโทษสงเท่าโทษสงเท่าน่เราคิดว่ า, าที่มันเข้ากองไฟนั้นก็ไม่ได้ผิดหรอก นะที่เข้ากองไฟไม่ได้ผิดหรอกเพราะว่าคนโน้นสั่งไนงะอันนี้ข้ออ้าง น, นี้มันเกิดขึ้นในสังคมเราปัจจุบันเพราะคนโน้นสั่งไม่ได้ผิดแต่ความจริงคนโน้นสั่งอันแะต่สองเท่านะคืออะไรครับสองเท่าเพราะว่าสั่งสั่งคนอื่นด้วยแบกบาปของตัวเองแล้วแล้วก็มาทำให้คนอื่นจมหายอีกสองเท่าเพิ่มเป็นสองเท่านะแต่ว่าคนที่เข้าไปเนี่ย ชั่วชวเลยก็คือว่ารับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจเข้าไปอ๋อแล้วมันเกิดขึ้นอะไรเกิดอะไรขึ้นในสังคมของเราเวลาเราไปเจออาหารที่มันฮาลาลแตม่มันมันมีอะไรที่ไม่ฮาลาลเราบอกให้ท่านบอกท่านยุลา่ารับไปก็แล้วกันกรรมการอิสลามรับไปก็แล้วกันกินเถอ ต่ว่ากาอลัลลอฮ์โอ้หลักเดียวกันถ้าไม่ชัวร์ไม่แน่ใจสงสัยอย่าและอย่าไปโยนความผิดให้กับเขาขอทำหน้าที่ฮขอทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วแม้แต่ท่านอัลเบีสรรลละหัวในลมเองเคยออกตัวว่าถึงคราวที่จะต้องพิพากษาเนี่ยคนเราเมื่อมีกรณีเกิดขึ้นใช่ไหมอย่างเช่นคนทะเลาะกันหรือคนที่ขมโมยของ <Yeah. S 2> ถูกนำมาขึ้นศาลถูกนำมาสู่การพิาพากษาให้ทำไงก็ต้องไต่สวนบังเอิญว่าคนนี้ไม่ผิดเนี่ยมันพูดไม่เป็นสหหลั่ละ คนที่ไม่ผิดเนี่ยพูดไม่เป็นแต่คนที่ทำผิดเนี่ยโอ้โหจำนวนวงหายลูกเล่นลูกชนเพียบเลยกรณีแบบนี้นะบีเคยออกตัวบอกว่าฉันตัดสินใจก็คืออัลฮุบม ah ิบซาวะฮ์ในหลักอิสลามฮุบมุกการตัดสินที่ขาดเนี่ยคืออยู่กับหลักฐานที่ปรากฏภายนอก พี่บอกว่าเวลาท่านตัดสินไปแล้วเนี่ยมันพลาดพลาดก็คือว่านะคนที่ได้รับถูกตัดสินว่าเป็นฝ่ายถูกแต่รู้ตัวว่าผิดที่ฉันตัดสินไปนะให้รู้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของเะไรครับเป็นส่วนหนึ่งของเปลวเพลิงให้ตระนัก คนที่รับคนคนผิดนี่รู้ใช่ไหมรู้แต่ชนะโอ้ให้นึกนะที่ชนะเนี่ยความ ช, ชนะที่เขาได้สิทธิ์มาเนี่ยมันเป็นเปลวมันสมมติว่านะเป็นทรัพย์สินของคนอื่นหรือเป็นสิทธิที่ของคนอื่นนั่นคือไฟนบนสนสนีสุลล์ละฮะเลสลัมดัปรากฏเองไดีสี่ส่อยงนี้ปรากฏในคำพูดของท่านนาบีนสุลล์ละฮะลสลัมเช่นเดียวกันอ่เนี่ยปรากฏในท่านนาบีนสลต์ละฮะลสลัม เขาบอกว่าอันนบีลลัลลอฮุอะลัยฮิลมกล่าวลอินซานีมะกะฮักมะกะมะกะน์ฮักเวลีซ่ามะอุลฮักรูบะมะกาณะฟินอัมร์ข้อตานบีบอกว่าคุณถูกแกถูกพนี้ไม่ถูกพนี้ผิด แต่ว่าในความเป็นจริงน บ, บีตัดสินไปแล้วนะตัดสินอย่างเงี้ยในความเป็นจริงเนี่ยคนที่ท่านน บ, บีสุลัยสลามตัดสินเนี่ยไม่ถูกว่าถูกเนี่ยไม่ถูกคนที่ท่านน บ, บีตัดสินว่าผิดเนี่ยไม่ผิดเอาน บ, บีบอกเข า, างไงนบีเลยต้องบอกว่าฟามาั <ihi> <S <S นก็ได้ตูละฮูบิฮักอัคีฮีใชอันเบโควลีฮีใครก็ตามที่ท่านตัดสินให้เขาเป็นฝ่ายที่ชนะ โดยที่เขาเป็นฝ่ายที่ไปริดรอนหรือนะไปล่วงละเมิดสิทธิของพี่น้องของเขาที่ท่านตัดสินเนี่ยเบียร์เขาหลีกเหีนเนื่องจากว่าที่เขาพูดเขาเสนอมาเขาบอกเหตุผลมาเนี่ยทําให้ชันเนี่ยยอมรับแต่ว่าการตัดสินนั้นนั้นเขาไปละเมิดละเมิดผลที่ถูกเนี่ยเขาผิดละเมิดผนที่ถูกแต่ว่าเขาถูกตัดสินว่าถูกอันนั้นแหละ อินนามาอัลกุอละฮูกิตะตุนกิตะตุนมินันนารที่ฉันตัดสินให้น่นมันไฟนะไฟมันเป็นนะมันเป็นคบเพลิงส่วนหนึ่งของไฟนรกที่เอาไปให้กับเขาให้รู้ตัวด้วย <laughs> นบีไม่รู้นะนบีไม่รู้ <laughs> อลัลกอบไม่รู้นบีไม่รู้รอลัลกอบ มืนแต่งสิ่งที่อัลลสุลฮานตาลาเปิดเผยให้กับท่านนบีลลลออลฮลมท่านั้นไม่รู้นันนบีลลลออิลมไม่รู้นะครับในรานะเราเลสตักสตักัว์อะไรนะฮะอ่าลคุณตัวอาลมุกลสสส ลาสตักสัตตูมินันมินัน خير ไม่ถ้าหากว่าฉันเนี่ยรู้อะไรความฉันก็จะกบโกยความดีอะไรต่างสะสมความดีเยอะแยะมากมายเลยเหมือนเราเราเลยถ้ารู้อะไรจะทําการค้าอะไรนั่งนั่ึนเนี่ยโอ้เกิดความรู้พิเศษขึ้นมาว่าค้านั้นแหะกำไรเลยซื้อตรงนั้นแล้วขายต่อได้เลย โอ้ไม่รู้น บ, บีก็บอกเหมือนกันพนั้นการตัดสินของท่านน บ, บีลสลตัวเรอนั้นอืมแว่น บ, บีบอกชัดในเรื่องนี้อ um ินนักกมตัสติมูนาเอไลยะพวกท่านนี่นะทะเลาะกันแล้วก็ต้องมาร้องเรียนฉัน ละอันบางทุกขุมอันขันนุบีขจติฮีมินบางบางทีอาจจะเป็นไปได้ที่บางคนเนี่ยอันขันนุบีขจติฮีก็คือว่าอะฉะฉานในเรื่องทีุ่จักของเขาฉะฉานในเรื่องในเรื่องหลักฐานอะไรต่างๆเขาที่จะมาเสนอข้อแก้ตัวอะไรต่างๆของเขานี่ฉะฉานฟ้มันกอไดตุลาหูบีฮักกินักีฮอันบกาลฮนี่ก็เหมือนกับตอนแรก ว่าถ้าตัดสินไปแล้วคนที่ถูกตัดสินรู้ตัวว่าตัวเองผิดเนี่ยนั่นคือไฟที่เราบีตัดสินให้ถูกไอ้ตัวที่ถูกนั่นแหละคือไฟให้รู้ไว้ด้วยอามอ แล้ว q ีว่ hadith เทีว ah a d i t h เที่อะไรครับ hadith ที่ยวมันซันซุนนัตันไซยัดันกาณาอัลมิลวิม มวรหมือนนวิธีที่งมันนทแล่ะมันนม่ใือแบบอย่างนวทาง ใครที ب ی ب ی د د ่สร้างแบบอย่างขึ้นมาสียอตันแบบอย่างที่ไม่ดีกาะาเลหีสำหรับเขาจะได้รับโทษมิสลลวิซรีมันอามิลบิฮาใครเอาแบบอย่างอันนั้นไม่ที่ไม่ดีนั้นไปได้รับโทษใช่ไหม สมมติว่ามีนักเรียนเอาอ้างว่าผมสูบุหรี่เนี่ยเพราะว่าเห็นคนนั้นทาตัวอย่างจริงๆเห็นคนอย่างสมมติว่าตามใครบางคนที่เขาเขาเขาประทับใจเขาเชื่อแบบอยา่างใช่ไหมดีตามคนที่สูบุรี่แล้วก็เป็นแบบให้กับคนอื่นแบกบาปของคนนี้ที่ตามเขาด้วยคือคนแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ตามเนี่ยไม่ได้บาป บาปที่สุบุรีเนี่ยบาปอยู่แล้วเท่าเดียวนะเท่าเดียวเท่าเดียวแต่คนโน้นะกลายเป็นสองเท่าแบกบาปของคนนี้ด้วยตัวอย่างสร้างตัวอย่างไม่ดีเอาบาปของคนนี้ไปใส่ให้คนโน้นด้วยแต่บาปคนนี้ยังอยู่นะเหมือนที่บอกอเมื่อกาเรื่องอะไรนะเรื่องถ้าเกิดว่าสั่งการผิดนะคนที่คนที่ทําตามผิด และคนนั้นก็ผิดด้วยเหมือนกันเพื่อที่จะยืนยันว่าลาตซรูว่าเซราวิุรอบาปถ้ า, ถ, าถ้าแบกแผนได้เนี่ยเขือว่าคนนี้ไม่ผิดเลยที่ตามเขาไม่ไมผิดคนที่ผิดคือคนน้ น, นคนที่คนที่เป็นแบบให้กับเขานี บ, บอกว่ามันทมิห้บิาม่อยกุซอม่เอาารชัย ก็ไม่ลดหย่อนไปกว่าคนที่กระทำผิดเลยบาปนั้นกลับไปหาคนที่เป็นแบบเหมือนกันในกรณีของความดีก็ในดิสนียท่อนหนึ่งก็จะพูดถึงความดีว่าใครทำใครทาความดีสั้นนะสุนนตันพัสนตันสุนนะพัสนะนะแบบอย่างที่ดีแล้วก็คนอื่นปฏิบัติตามเนี่ยเขาได้บุญของคนที่ปฏิบัติตามด้วยคนที่ใช้เนี่ยแล้วก็ไม่ลดหย่อนไปกว่าบุญนั้น ทีนี้เรื่องอ้างกอดัตของอัลลอฮฺสุลต่านนี่เขาอ้างกันตอนไหนเนี่ยเขาคิดคนที่อ้างกอดัตของอัลลอฮฺสุลต่านเนี่ยอ้างสิ่งไม่ดีแค่นั้นเวลาดีไม่อ้างคนเขียนเต็มสิ้นี่บอกว่าอะไรมาไรตัว่าใหดันฟิฮัยตียะมันอามัลันซาเลหยาคุลละก์ยาอัคีอินนัลลอฮ ก็ดรรอาเลยอะฮาดันอามันสวัิ์ในชีวิตของฉันเนี่ยเขียนนี่นะบอกว่าในชีวิตของฉันไม่เคยเห็นใครเลยว่าไม่เคยเห็นใครที่ทำงานการงานที่ดีแล้วก็บอกกั บ, พ, บกพี่น้องเขาบว่านี่น้องอย่าคที่ฉันทำความดีเนี่ยเพราะล็อตวาตาละกาหนดให้ฉันทำไม่มีใครอ้าง ที hit, ่ฉัละมานี่โอ้มาฉัลลราบอกกับเรารอัลฮัมดุลิลละเราสั่งแต่ละคำนบนตัดด so ah, ีให้ผมได้ละมานไม่เคยพูดไหมไม่พูดความเีอะไรก็ได้ไม่พูด فالعمل صالح ينصبه لينفسه ส่วนใหญ่เวลาทำการนี้ดีก็ อ้างกลับหาตัวเองอ้างกลับหาตัวเองที่ทําความดีเนี่ยพ่อเป็นอย่างนั้นไปอย่างนี้ย่กูลมาฟอันตูอมาฟอันตูอมาอิดะวะก็ฟีมัสยัดินฟะอินนักูย่กูนแต่ว่าเวลาอยู่ทำอาเซียนเนี่ยก็เหมือนกับกรณีที่คนที่ที่กินเหล้าที่ดื่มเหล้าของในสมัยอุมั่ตอ้างแบบนั้นแหละเวลาทําไม่ดีแล้วอัลลอฮฺ Allahumukaddirun alayya d a kap, ala d he d he l i okay. a l l a h ตักเดีนเข้าไปเฉยยังไงฮาดะหัวอินขะตอนี่เป็นความผิดจหญ่ใเลยผิดชัดๆเลยงี้น่าจะศีรษานาไปอยู่แไมเวลาทำงานที่ดีเนี่ยที่ต้องอ้างไปยังกลับยังตัวเองเวลาทาไม่ดีแล้วกล้างเอากลับไปหาลอสมาฮาตาลา นเรื่องนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แบบอันกรานก็บอกนะอันนี้ก็อายะที่เท่าไหร่อยู่ในสุร้อนออันอันอันอันอันอัอันันอัออันอันอนอันออันนอัออัออันอนัอนนั كذلك َ ب ل الذين من ق ب ل ِ م حتى ذقوا بعسنا قنها عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا ظل وإن أنتم إلا ت خ ر ُ و ن الله อ, ญญอะยะที่เท่าไรครูฮะราา้อยสี่สิบแปดวนร้อยสี่สิบแปดนี่สำคัญมากลหลักที่สำคัญมากๆต้องให้เข้าใจเรื่องว่าเจ้าพูดโกหกกระดั้นซุ่มสี่สุม 4, ส่มห้านี่ไม่ได้แล้วมันส่งผลกระทบ ไมเจะแย่งยเออกยงนั้นแลกยงนั้นแล้วโอ้เอาลงดูอัลลอฮาตลาบอกว่าไงรใช่มอืม ติตั้งพักีบรรดาปกติตั้งภาคีบอกว่าเราชืาาอ่อ Allah ไม่ชอบนะถ้าเลาประสงค์เราคงไม่ทำชีวิตกที่เราทำชีวิตเพราลเราประสงค์รอลลุิาาะละอ ล, ะ ล, ะละที่ผมไม่ละหมนันนีถ่ถ้าเราประสงค์ถ้าเราประสงค์ถ้าเราไม่ประสงค์ผมก็ม ล, มละหมันแหะอัลลอฮฺไม่ใช่ปฏิเสธก็รอกรดั้ดนนะ ที่บอกแล้วว่าอกอกระดัดเป็นเรื่องของลอสาฮัตลาไม่ใช่เรื่องมนุษย์ไม่มีใครสามารถล่วงรู้อกอกรดัดของลอสอัลมาฮัตลาได้ที่ต้องรู้ที่ลอสอัลมาฮัตลาบังคับให้รู้คือชาริอะห์ขอรอจะทำยังไงปฏิบัติยังไง ม, มาศมาถ้าหากอัลลอฮฺประสงค์เราคงไม่ตั้งภาคกีกอรอศอ๋อ ไม่เพียงเรานะเวลาอาบาอุณาปูปปย่าตายายของเราบรรพบุบรุษของเราก็คงไม่ตั้งพคือขอประหลอดอกเวลาฮารอมนามิใช่เราคงจะไม่ว่าสิ่งนั้นฮารอมสิ่งเนี้ยฮาลันไม่ฮารอมนาใช่ไม่ห้ามเรื่องโน้นเรื่องนี้ ท, ที่เราที่เราทํำที่ทําไปอย่างนั้นจะไปว่าสิ่งนั้นฮารอมสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นฮารอมสิ่งน้นเป็นฮารอมก็เพราะว่าอัลลอฮฺทรงอัตลักษณประสงค์ให้เราไว้อย่างนั้น ก็ ذلك คดบัลล <basket> right, okay, ีน์ินจากัลฮิมคาบเลาะอัลลอฮฺตักดกบเลยตักดีบก็เขาปฏิเสธตักดีบโกหกพูดอย่างนั้นคือโกหกเนี่ยอายะนี้ใครเดี่ยอ้างลอยๆเกี่ยวกับตักดีบของอัลลอฮฺสุฮาห์ตะลันนี่อายะนี้ชัดเจน Man like of, and not a ันพุ่งจะนั่งเลยข้า a ต่กู้บัสนะมิ i งกั b เหช่นนั้นแหละที่คนขอมไม่ใชวันนี้นที่กล่าวเนี o ยมันมาก่อนหน้านูแล้วก็อ่าอกะบดีนัมงลมขนพวกนี้ที่กล่าวเยยังมีพวก่อนน้นแล้วที่กล่าวแบบนี้เหมือนกันจกระท a ่งพวกเขาด่ากูบสนะจนกรทัว่าพวกเขาได้ริมรถการลงโทษของเรา จงกล่าวเถิดจะพูดกับพวกนี้เขาว่ายังไงเอาถ้าพวกท่านบอกานาะเอาัอาจจมาน้นานกรมะานเกมมินะนน ม, ม, นะมินอนมินมีความรู้มั้ยหลักฐานเอาพิสูจน์ว่า a l h กำหนดยอย่างนั้นเอายกมาสกญญ า, ายะเินนเออพวกนี้รู้ได้หรือเล่นลับนะเรื่องไรเปล่ พระกขิด้ล่ะนะถ้ามีเนี่ยเอาออกมาเลยเอาออกมาให้เราดูเอาออกมาให้เราอินเัอร์แต่ว่าแต่ว่ามันไม่มีไงเพราะไม่มีแล้วอินตรต่บีู้นะอิลดเดาแกรอนๆล้นะอนแกสงสัยแกแกคิดไปคาดคะเนไปท่านนั้นเองอินอันตุมอิลลัตครูซูนบอกท่านไม่มีอะไรผนเลยไม่มีอะไรปลเลยอินอันตุม นอกจากโกหกตัครุซูนนะนอกจากโกหกล้วนๆเลยบอกลงว่าแต่พูดแบบนี้คือพูดโกหกอัลลุฮานตะลาเนียยะขอเราเราไม่ได้พูดเองอัลลอฮฺสุลฮานะลาบออัลลอฮฺสั่งนะครับว่า ว ل จารณ์วิจารณ์วิจารณ์วิจารณ์วิจารณ์วิจารณ์วิจารณ์วิจารณ์วิจารณ์วิจารณ์วิณวารณ์วจารณ์วิจารณ์วิจารรณ์วิจอรณวารณ์วิจาวารณ์วิจวาวิจาวจารณวิารณ์จารณ์รารารณ์วิจรณ์วิจารณจาารณ์วิารานณ์วารารณ์วิาาาาว พระพุทเจ้าของท่านของเจ้าเราจะถามพวกเขาทั้งหมดเลยถามอะไรคือถ้าลัทธิสารตะลาบอกว่าถ้าเป็นความจริงว่าลัทธิสารตะลากำหนดมาอย่างนั้นนะถามถามทำไมไม่ถามแล้วถามมาทำไมทาทำทำทำไมทำไมแล้วจะตอบยังไงเขาต้องรับผิดชอบแต่คนละต้องคนแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบตกลงว่ามนุษยทุกคนต้อง ไม่สามารถจะอ้างบาปอะไรครับอ้างไปถึงคนอื่นได้มันอบูละหับอายะที่ว่ตบบัดจะไบีละหับวว่าตบุละหับใคลุงของนบีวอกของนบี นีเนี่ยน บ, บีแบกช่วยแบกได้ไห ม, ไม แ, บแบกไม่ได้แต่ว่าอีกคนหนึ่งที่ทำความดีสันมานมินนาอาลินไบตโอ้สันมานเป็นส่วนหนึ่งของเราเป็นคนในครอบครัวของอารินไบตนี่แหละที่ปกชีอะห์เอาไปใช้ว่าสันมานเป็นอารินไบต์ เอาตรงนี้ไายกับมันกันพวกนั้นกันถ้าหลักฐานตรงไหนที่จะไปไปทำยาให้กับตัวเองได้ก็เอาะในอิสลามอินรมักมลลอยกบกุมคนที่มีเกียรติสุดคือคนที่สงรมตนต่อรอสมาตนะากที่สุดไม่ว่าใครจะเป็นจะเป็นใครจะเป็นฮะ คนที่ใกล้ชิดกับระบีหรือคนที่ใกล้ชิดกับคนอาเลมคนที่ตะกว่าต่อรอสมาตาลาแต่ไปทําในสิ่งที่สวนทางกับอิสลามก็ไม่ได้มีความหมายเลยเลยไม่สามารถที่จะปลดปลอยจากการเรียกร้องขอรอสมาตาลาได้ฮนัสบานูอาดัมอาดัมมินทุรกันทุกคนก็มาจากอาดัมแล้วก็อาดัมก็มาจากทุรบ มีอิคัดิสนึ่งจากสุนันอบดดาวดบอกว่ามีครั้งหนึ่งท่านหญิงอชารอลออันฮอนอชาอันน้นเธอต ا ل ن ا ฟับกัดท่านหญงอาคิถึงไฟนรกแล้วก็ร้องไห้มีครั้งหนึ่งท่านญงชาคิดถึงไฟนรกแล้วก็ร้องไห้ พอกล่ س วรอสุล صلى الله عليه وسلم ท่านนบ ل สุลลัลละอิสล م มก็ได้ถามว่ามายู่กี่ก็มายู่กี่กีร้องไห้ทาไมมีอะไรเป็นเหตุเด็ดเดี่ยวต้องร้องไห้ใช่ข้ละจะกิดตันนาร้องฟะบาเกียถูฉันอย่ารอสุลรอฉันไม่ถึงไฟนรกแล้วฉันก็ร้องไห้ตกรลมยมันเค ไอ้ชาถามกับท่านอบียบอกว่าท่านนึกถึงฮะคนในครอบครัวของท่านบ้างไหมในวันเกียรมรดกเนี่ยได้ๆคิดถึงเราร่างหรือเปล่าวันตอนอนวันพอถึงวันเกยมรดเนี่ยท่านนึกถึงพวกเราบ้างไหมจะจะถามอย่างนั้นจะพึ่งบารมีจะพึ่งบารมีหน่อยพึ่งบารมีของทาสุลในวันกิคิดถึง พวกเราบางไหมพวกพวกอ่ะนะคนในครอบครัวของท่านางไหมบัเมันเนี่ยอรารอสุลลอยสุลลโลฮวลวัลัมน่งรอัมมาอัมมาซลาติมาวตินฟลายัดกุรุอฮาดันอัฮาดันอินดันมิซันอฮะอฮดัน มีอยู่สามที่ที่ไม่มีใครคิดถึงใครเลย <c oughs> มีอยู่สามจุดที่ไม่มีใครคิดถึงใครเลย <c oughs> จุดที่หนึ่งอินดนมีซานตอนช่างต้องขึ้นไตาช่งลลางเลาอารมไกฟีอาเราไม่รู้ว่ขึ้นไตาช่งางกันยังไง <c oughs> มีซานมีซันขักคุไ <c oughs> ต่ช่างเนี่เป็นสัตรูธรรมอบดีบอก ช่งแน่นอนเพือเพ่อที่จะทราบอะไรครับเพื่อทราบความดีกับความชั่วว่าในหนักอัานไหนนะอันไหนหนักกว่ากันตอนขึ้นตาช่างเนี่ยจะไม่ใครไม่ใครคิดถึงใครเลยฮัตตายะลมาอายะคิฟูมิซานฮูเอายักุลว่าตาช่งางเขาจะหนักหรือจะเบา จะเบาหรือจะหนักหนึ่งแล้วไม่มีใครคขีนถึงใครว่าอินเดนกิตาบใคนา ย, นอยกอลตอนที่ยืนยืนยืนะ น, นะยืนแผ่นบันทึกการงานให้กิตาบ เมื่อถูกกล่าวว่าฮาอุมุกรอุคิตาบียอ๋อนี่แผ่นบันทึกการงานของของของเจ้าเนี่ยเอาไว้อ่านดุลฮัตตายาละมาจนกว่าจะรู้ว่าไอนายกาะิตาบูฮูอัฟียามีนีฮีอัฟีชิมัลีฮีอัมมินวรัย ظهر ีจนกว่าจะรู้ว่าจะได้รับแผ่นบันทึกนั้น ที่บันทึกนั้นทางไหนไดรับได้รับมาส่งมาทางทางขวาหรือว่าทางซ้ายหรือว่าจากข้างหลังโอ้ใจตต้นตุกตับตุกตับตุกตับแล้วว่าจะมาจะมาทางไหนไม่มีคิดถึงใครเลยอืมเลยละนะฮะในอันการานบอกว่าหาองม์คกุกฮะ แต่รับคนที่นะอมามันอิกิบมีนี้ฟอคูลฮาอมรกิตาบียก็จะบอกว่าอ๋อโนนี่นี่ของฉันเนี่ยอ่านดูดิคือแต่ตัวเองรู้แล้วใช่อ่านแล้วเนี่ยส่งให้คนอื่นว่าอ่านอ่านอ้าวพนี่อินนีั้นตอันนีมกนิาบียที่ฉันได้เนี่ยได้ได้ได้แบบนี้เนี่ยะผ่านแบบนี้เนี่ยเพราว่าฉัน อนนี้ตนั้นตวฉันเนี่ยยากินนันตอันนีไม่ใช่ไม่ใช่สงสัยนะตรงนี้นนันตวอันนี่มลาินาบียเพราะว่าฉันเนี่ยยากนว่าฉันเนี่ยจะได้ได้ต้องต้องอ่าิาบียต้องเจอกับการพิพากษาต่อไปนีนันตอนนี้มลาินาบียจรจแต่ส่วนอัมมันอมาน อุตย oh. าคิทับเขา بشماله فيقول يا ليتني لم أُتَكِتَابِيا ها هنا سبحان لم أُتَكِتَابِيا นี่เจ้าหวังว่าถ้านี่ถ้าถาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไมอง ไ, มองไม่ต้องมอให้ฉันก็ยังยังดีกว่าล م أ ُ ت َ ك ِ ت َ ا ب ِ ي ه. และที่สาคัญเนี่ยตอนอยู่บนดินยาวลำอัติิมาฮิซาบียยันไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรขอเขาเลยเรื่องการวิพากษาตอบแทนเนี่ยมาลำอัติิมาฮิซาบียยะเลยทหากานาินกาเบียโอ้โหนี่ทหากว่าตายแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องผุดไม่ต้องเกิดไม่มีการวิพากษาให้มันจบจบกันไปตั้งแต่นนท์ก็อาจจะดีนะาหากว่าการนาทกาเดีย อะไรนะอะไรเอาเถอะฮะการนัดินีาพดีอะมาคนีมาคนนาอันนีมาลียทรัพย์สินช่วยอะไรฉันไม่ได้เลยมาคนาอันนีมาลียฮะแล้วก็ุนตอนนี้อำนาจก็หมดหลักฐานอะไรนะตอนก็แปรได้อำนาจ แล้วก็วหลักฐานหุจนักษ์ก็ได้สุนทรเนี่ยหมดข้ออ้างใดเลยทั้งสิน้นแล้วก็รู้ว่าอำนาจที่ว่าเคยมีเป็นโน่นเป็นนี่เนี่ยช่วยอะไรไม่ได้สักอย่างเลยพนักงาเนี่ยสุนทรเนี่ยชัดเจนน บ, บีก็บอกหัวที่สามตอนไหนที่สองแล้วที่สามอินเดสเซโรตตอนจะข้ามสะพานเิโรต ไม่นึกถึงใครเลยัละอิลลัลลอฮอิหดินัลซาราตอันมุสตอิิ إذا و د ع بين ظهري بين ظهري جهنم ตอนนี้ถูกเอาไปวางถูกเอาไปอะอยู่บนอยู่ข้างบนนรกจันนน์ให้ข้ามสะพานเซร์อตแล้วข้ามผ่านจะผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยไม่นึกถึงใครแล้ว นึกถึงใครก็ช่วยไม่ได้แล้วแต่ไม่นึกถึงใครนบีบอกงั้นสมจุดที่นบีบอกกับไอ้เช้าว่าถึงตอนนั้นไม่นึกวั น, ะวนละเยซีริลละนะขออัลลอฮฺสุลต่านกรุ่งครองเราจะสภาพที่ไม่พึงประสงค์ณ้หน้าสามจดนั้นขอให้ตายช่างของเราหนักแล้วก็ขอให้เราได้รับที่บันทึกของเราจากทางขวา แล้วก็ขอให้เราได้พันสะพานสิรอทด้วยความปลอดภัยได้รับความเมตตาจากอัลลอสาาลุฮาตัลออีกบาปหนึ่งที่มีการโอนถ่ายกันคือบาปอะไรครับบาปนินทาคนอื่นสมมุติว่าคนหนึ่งนี่บาปแล้ว บาปไม่ได้ลดนะอีกคนหนึ่งก็มีบุญมีบาปแต่คนนี้ถูกเนินทาคนนี้มีบาปเยอะถูกเนินทาเอลลาโลสวาตตาล่าเอาความดีของคนที่นินทามาใส่ให้กับคนที่นี้บาปยังอยู่เหมือนเดิมนะความดีเอาความดีมาใส่ความดีมาใส่นะ แต่ปรากฏว่าไม่พอคนนี้มีบาปไม่ไม่พอทีนี้เอาเอาเอาบาปของคนนี้เอาบาปอะไรนะเอาความเอาความดีเอาเอาเอาบาปมาใส่ให้แล้วก็ถ้าไม่พอก็เอาความดีความดีมา ใ, ใส่กับให้คนที่ถูกซาลิมด้วยกันถูกนินทานี่นิทานโอที่นบีสลุลต์ละเ ล, ะละสลังบอกการถ่ายโอดด้วยกรณีอย่างนี้ ดายันก็ขอรัศมีตลอดให้เราให้ห่างไกลจากการมินทากับอินนามาตุนดโรนั่งไปนะลาติดะเดโรอาเดรโตวิศระอุครา ผ่านไปนะะตกโลกว่าแบกภาระขอใครไม่ได้จะช่วยแบกช่วเรียกว่าช่วยแบกบาปของคนอื่นก็ไม่ได้แม้จะเป็นญาติที่ใครชิดอินนามะดุนเซลลัดดีนายะกโชนารับบะฮุมที่ท่านนบีมูฮัมหมัด ส, ส, สลลลละซิลลังไปได้อย่าง น, นว่าคนที่จะได้รับประโยชน์กับคําตักเตือนจากคําสอนเนี่ยคือคนที่กลัวอัลลอฮฺมาฮ์ตัลลั เพราะฉะนั้นการดาว่าจึงนำนำตนยการดาว่าให้คนได้กลัวอลให้คนได้รู้จักกลัวพอถึงนั้นหลังอย่างหลังหยันั้ น, นการเตือนก็จะเป็นประโยชน์แต่ถ้าคนไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเนี่ยการเตือนเนี่ยเอาโลคบัตคนที่จะได้รับประโยชน์เนี่ยก็เหมือนกับ น, นักเรียนเหมือนนักเรียนที่เราสอนหนังสือคนที่จะได้เกรดดีๆคนที่จะเรียนหนังสือเก่งอะไรต่างๆเด็กเด็กมีจิตสานึก เรื่องของจิตสํานึกรับผิดชอบเรื่องของจิตสํานึกเห็นคุณค่าของคำสอนเป็นเรื่องที่สําคัญเห็นคุณค่าเพราะฉะนั้นแรกที่สุดคือเราต้องทําอย่างนี้กได้ให้เด็กนี่เห็นความสําคัญของการเรียนถ้าเด็กไม่เห็นความสําคัญของการเรียนก้างเรียนไม่เป็นประโยชน์เลยเราจะไปพูดตอนที่มันเล่นกันอยู่ตอนที่มันมันเพลอมันมันมันทำอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้สนใจเลยไม่เป็นประโยชน์เราสอนครบก่าจริงแต่ว่าไม่ได้เกิดประโยชน์ใดเลย มันจิตสำนึกในการสร้างจิตสำนึกเนี่ยเป็นเป็นเป็นมุคติมากเป็นบทเริ่มต้นที่สำคัญมากเลยอัลลอฮฺสุฮาตลาบอกกับท่านนบีบอกอินนามะตุนเยโรลาดีนยักษ์เซวนาระเบอบิเล่เงื่อนไขที่คนจะได้รับจากคํำประโยชน์จากคำตักเตือนของท่านนบีสลลลลอฮัลลอฮนี่คือคอสีคือคอการกลัวอัลลอุฮาตลกลัวจริงๆนะบางทีกลัวต่อหน้าต่อหน้าคนอื่น กลัวเหรอับหลังไม่กลัวแต่กลัวจริงๆนี่คืออยู่รับหลังก็กลัวรอดมาแตลา่ละมันละหมาดเพราะว่าเราไปไปลาดมันมันละหมาดเนีพราเห็นไม้เดียวไอ้ น, นี่ไม่ใช่บินไรฟ์ถ้าบินไรฟ์ก็คือว่าครูไม่อยู่ม า, าะะยเสาล์รอดีนเสียงอาจารย์มาลงมาเต็มเลยอันนี้ถ้าครูลองครูไม่อยู่ใช้งานมันนะจะสร้างของครูไม่อยู่เราไม่บอกสักวันหนึ่งจงผมอะไรต่างๆระเบียบไม่ไหนเราไม่บอกสักวันนึ่เป็นไง เขาลงว่าอันนี้ไม่คดเชื้อไม่ถึงความฉุกเอัลละม่ว่ามีสองคํเข้าเข้าฝุ่นต่อชดเชื้อละมาตามการสังเกตว่าคําว่าเข้าฝุนเนี่ยคือคือกลัวกลัวกลัวกลัวแต่ว่าคดเชื้อเนี่ลึกกว่าการกลัวเฉยๆกลัวเบียเอลินกลัวเนื่องจากว่ารู้ ก็เลยบอกว่าถ้าจะให้คนได้รับประโยชน์ต้องให้คนรู้จักลัทธิฟาตาลาก่อนถึงจะกลัวลัทธิฟาตาลาก่อนถ้ากลัวบนพื้นฐานของความรู้กลัวแบบเขาว่าไงเขาบางทีกลัวกลัวเหมือนกันกลัวแบบเขาว่ากลัวเหมือนกันกลัวอ้ากลัวกลัวแต่ว่ากลัวที่อาจจะคุณภาพอาจจะน้อยหน่อยนะเรามาเช่นของเช็คโอไซมินนะเขียนไว้ในหนังสืออัลกุลบอัลกุลบ การงานภายในจิตใจของมนุษย์มีอะไรบ้างว่าพูดถึงเนี่ยข้อแตกต่างก็ว่าเขากับคเชียพระยันในใ น, ในไทยสุรร้อนเนี่ยอินนัมัยยักษัลลอฮฺอินนัมัยักษัลลัลาฮฺมิ่งอิบาริฮิอุลลัมะเห็นใจไหมขชยไปโยงกับอุลามะก็คือคนที่มีความรู้ครูอะได้มีความรู้ตกลงว่าคนจะได้รับประโยชน์ในด้วยเงื่อนไขปริเว์จากคําตักเตือนเนี่ยคําสอนคําตักเตือนนะ สองด้วยเงื่อนไขในที่นี้อย่างน้อยสองอย่างก็คือคนที่ยักเช่านารับะคุมเบลตะไรนี่ยามอยู่รับหลังเนี่ยเขากลัวอัลลอฮฺสลาฮัตละรับหลังคือไม่มีใครเห็นมีอะไรไม่เนี่ยคือไม่มีใครเห็นเขากลัวอัลลอฮฺยามที่เขาไม่มีอ่าไม่มีใครเห็นในฮะดิษคนเจ็ดจำพวกที่จะได้อยู่ใต้ร่งเองของอัลลอฮฺสลาฮัตลาบอกว่าหนึ่งในจำพวกนั้นก็คือว่า อ๋ออ่ออ๋มาได้อะดิษอะดิษ zakarullah ขอเรียนนะเพราะไอนาคนคนหนึ่งก็คือว่ายามที่เขาขอเรียนก็คือว่าคนรักก็คือว่าอยู่ตามลําพัง จเรืลล่องถึงอัลลอฮ์บอฟ้าลดไอหนาห้าโห่น้ําตาไหลออกมาจากต้งสองครั้งนั้นคนกลัวล้อตัวหน้ายังไม่เป็นหลักประกันเราประกันว่าถ้าอยู่รับหลังเรื่องนึกถึงอัลลอฮ์แล้วก็เขากลัวล้อสวาทละนี่คือคนที่จะได้รับประโยชน์ว่าอัลกอมุสซาลาอัลละมานี่สําคัญนะอักออุสซาลานะไม่ใช่ละมาดครั้งจั่วครั้งจั่วคราวนะ่อยอัลกออุสซาลาเนี่ยโอ้ครบกระบวนการทั้งหมดเลยแล้วก็ทําอย่างต่อเนื่องได้อหมุน والذي نهم بصلاتهم دائمون ฮั ม, ลฮ ม, ม, มตลอดลแต่แสดงว่ามันก็เป็นตัวชีวัด ถ, ถึงความกลัวของเขาต่อลอสวาตลาด้วยเหมือนกันะละหม่านี่พิสูจน์คนได้ถ้าละหมานจริงๆนะพิสูจน์ได้ยืนยันได้ว่าคนนี้ได้รับประโยชน์แต่แสดงให้เห็นว่าเราไม่ใช่เราจะจะคาดหวังประโยชน์เนี่ยต้องดูว่าเราสอนใครเวลาบสอนนะ เราจึงต้องเลือกไลต้องเลือกเลมันไม่เกิดประโยชน์มันมีแต่ก่อนมันมีแต่อะไรกับมันมีแต่กา ก, ากมันไม่ได้สนใจอะไรเลยยิ่งคนเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยกินอยู่อย่างสบายนะมันไม่ได้คิดว่าโอ้แต่ก่อนมันคิดว่าพ่อแม่เขาจะบอกว่าเรียนหนังสือนะลูกนะเรายากจนคราบครัวเร า, เรายากจนงานต่อไปเรียนหนังสือนะจะได้มีการมีงานทําจะได้มีรายได้ ด้วยเหลือพ่อแม่ต่อไปทรัพย์สินที่มีอยู่แค่นี้ก็หมดแหละนะมีอยู่ที่ดินก็มีอยู่ไม่เท่าไรอะไรไม่ต่อต่อไปก็มันหมดแหละเราพี่น้องหลายคนเออก็จิตสํานึกอยากจะเรียนแต่ก็ถามว่าคนที่เกิดมาบนคนกองเงินกองทองนพ่อขับรถยี่ห้อดีๆแม่ก็ทํางานโน่นทำงานนี่รับราชการหรือมีเงินเดือนหลายตังมีแต่อยู่กับเงินอยูทองกินไม่เคยขาดเลยเนี่ยมันนึกถึงว่ากูอาจจะนึกถึงมันน่า จ, จะนึกถึงว่า ผู้จะเรียนไปทําอะไรวะก็ในเมื่อคนที่เรียนจบแล้วก็ไปก็บเงินเดือนแต่เราเนี่ยยังไม่ต้องทํางานเลยเงินเงินเยอะแยะเลยเออหรอกว่าอันนี้มันเป็นเหตุไม่ได้หมายว่าเอาบางครั้งไอ้ความสุขสบายเนี่ยไม่ทำได้เลไม่ได้ผลักดันในคนได้เรียนเรียนหนังสือเพราะฉะนั้นค่านิยมที่บอกว่าทํางานแล้วจะเรียนหนังสือแล้วจะได้ทํางานทํางานดีๆได้ตังค์เยอะๆนี่อย่าไปใส่ให้ ต้อคิดในแง่อื่นความรู้ในในแง่อื่นเราเราความเป็นคนต่อไปแล้วจะกลับไปทํางานเดิมก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ความรู้อยู่กับตัวจะไปทํางานเกษตรจะไปกรีดยางอยไปนะเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะอะไรต่างแต่มันมันต่างกันนะคนคุณภาพของคนเนี่ยมันต่างกันอยู่แล้วคนที่มีความรู้นะอืมอัคหมุสซาลาย้ําอีกครั้งหนึ่งก่อในแง่ในแง่ของบาปไม่มีใครกแกล้งกันด้วยและแบ่้งกันได้ วมันตาจกราฟัยนามัยตกลีนัสิที่ขัดเราตกพยายามที่จะักพอกตักักพอกตนเองอยู่เนืองนิดขัดเราตนเองอยู่เนืองนิดจริงๆแล้วเขาก็ขัดเราเพื่อตัวเขาเองไม่ได้ทำเพื่อใครนมยตกลนับคือในเชิงสิ่งที่ทำดีก็กลับมาสู่ตัวเองนะครับ ถ้าทําไม่ดีก็กลับไปสู่ตัวเองเหมือนกันแล้วก็ไม่สามารถที่จะแบกความไม่ดีของคนอื่นได้นะเรารอให้มาซีนในที่สุดแล้วยังอสลาตลาครับการงานและทุกคนจะต้องกลับไปเอาหล่อหลับหลังจากที่ให้หลักการไปสําคัญไปแล้วก็ตั้งคำถามให้คิดอีกคิดเขาเรียกว่าตกย้าอลัสลาตลาตกย้ํานะตกย้กยํำวนะงก็คิดอยู่ตรงนี้คิดไม่ออก ตอกอะไรก็ให้ให้อะไรับให้ให้ให้ตั้งคำถามมาใหม่เพื่อที่จให้คิดเพื่อีใจให้รู้จักแยกแยะท่านมาเยอะวิรค์นานแลอามลวหคนตาบอดคนตาดีตาบอดจริงวะอันนู้นเป็นวันอามะอัลกาฟกแฟที่บอกแล้วที่บอกแล้ววันกอ่อนนี้ว่ากาเฟเห็นทุกอย่างเลยแต่ไม่เห็นอนลอสมาแต่ตาบอด คามรูมหาศาลเลยบอกได้อธิบายได้ความยิ่งใหญ่ของจักรวาลว่าเรื่องต่างๆแต่มองไม่เห็นอลอสราตลาเหมือนกันอะไรพิหารดีลามะบอว่าฟินอาคืออะไรดีลามะใครตาบอดบนโลกนี้ในอัครรัตน์ก็ตาบอดด้วยบอดเพฉะนั้นอลอสราตลาเปรียบเทียบคนตาบอดคือกระเสือคนบอดซีบคนโมมินตาดีเห็นนิดเดียวก็เห็นเห็นกรวดเห็นถ้ามองเห็นฝุ่น ก็จะนึกถึงอัลลอฮฺมาฮตาลาเห็นแมลงวีก็นึกถึงอัลลอฮฺฮตาลาเห็นนิดเดียวอะไรสักอย่างนี่ก็นึกถึงอัลลอฮฺฮตาลานี่คนมุสลิมแต่คนกาเฟเนี่เห็นช้างเห็นอะไรต่างเห็นจักรวาลที่กว้างใหญ่มองไม่เห็นอัลลอฮฮตาลาตาบด วัลจุลมาตุวันูวัลนูจากคนจากเทียบเทียบคนแล้วไปเทียบกับจุลมาตบาตินสิ่งมดทิตต่างๆที่เอยบอกแล้วว่า ระวางสุลต่านกับโนดเนี่ยใช่ผิดนะสุลต่านอัลลุลตาใช้จัมใช้คาที่เป็นปหุพุทแต่แดงบาติเนี่ยเะบาตินเยอะเหลือเกินมีหลายอย่างสิ่งที่เป็นบาตินสิ่งที่เป็นสิ่งที่มุเทศเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยแต่อันโดอันเดียวแสงสว่างมีทางเดียวคืออิสลามแสงสว่างอันเดียวนันแลวอัลลุต่านบอกว่าลุลต่าคือ สิ่งที่มดเท็ดทั้งหลายกับแสงสว่างเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันเหมือนกันแสงสว่างหลากหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ารูปแบบของอะไรครับของบาเตนเนี่ยจะเปลี่ยนไปเรื่อยจะเปลี่ยนไปเรื่อยบางสมัยนิยมบ้าเพียงเพลงบางสมัยบ้ากีฬาบางสมัยบ้าแฟชั่นบางสมัย อะไรเยอะแยะมากมายใช่ไหมมันจะเปลี่ยนอยู่เรื่อยพวกโปรโชั่นอะไรต่างๆมันไปดุลมานของมันเรื่อยสมัยหนึ่งใส่กางเกงหลวมสมัยหนึ่งใส่กางเกงคับสมัยหนึ่งใส่สามส่วนสมัยนี้ย่อมาเป็นมินิช็อตย่อมาเป็นอย่าเป็นกางเกงในแล้วมาติลดุลมาน มันหลากหลายมากเลยมันยอมโมได้เลย ล, ละให้เราละมาเนี่ยนี่เนี่ยที่อัลลอฮฺสั่งแต่ละบอกครับก็รู้ครอัลลอฮฺสุบฮานะตะละฮักคุเสด็จทาที่สูงสุดนโน่นแสงสวงอิสล า, ามจะอิสล า, ามจะพลิกแพงไปไงอิสล า, ามจะพิกแพงให้มันหลากหลายบ้าง <c ười> พลิกแพงไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้อย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยตั้งบอกว่าตั้งแต่ละมาดเอ่ะถ้าจะ เ, าเรื่องละมาดเนี่ยบอกว่าตั้งแต่สมัยนับก็ตั้งบรรจุมาต้องล้มพานยังไงต้องละมาด ของฮาลานารามก็ยังเหมือนเดิมอะไรทุกอย่างเลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยทุกอย่างเลยจะมีชีวิตที่ดีนะต้องมีเครื่องแบบนะการแต่งกายที่ถูกต้องเป็นแบบนี้อย่างเดียวเลยตรงเลยนูตน้ตแสงสว่างอันเดียวแต่สุลมาตเยอะมากเลยเอาไม่ทันตามไม่ทันสุลุมาตแต่ก่อนนักเรียนนะจะเป็นโรงเรียนประจําอย่างเราก็ เด็กจะติดต่อกันได้เนี่ยเรื่องเพศนี่ก็คือจดหมายเซนเซอร์เซนเซอร์จดหมายครูเปิดอ่านก่อนถึงจะไปถึงนักเรียนแต่เดี๋ยวนี้สามารถเซนเซอร์เซนเซอร์ะไรกับห้เทกอย่างนี้เซนเออะไร เขาจะนัดนหมายกันตรงไห น, นจะนั่นหมายตอนตอนวันหยุดวัอนอะไรต่างนั่นหมายตอนกลับบา้านหมได้ได้ได้โนร์โลมาเ่มันเป็นความมืดทั้งหมดเลยเ น, ลนี่ก็ลอแบบวาติวลาิลลวัลฮารูรุมเงาเกิ อ, อ, อมานอมานมานะ อยู่ในร่มเงาคารุ่นอยู่ในความร้อนอยู่ในแสงแดดคารุ่ก็คืออันกฟุฟการปฏิเสธต่อลอสแานเตอร์ลันเขาไม่เหมือนกันเหมือนกันไม่เท่ากั น, นการอยู่ในร่งงงมเงามาเชะะิเราพี่น้องเราที่คารับิสลานโปรเจกร์หนึ่งเมื่อเมื่อคืนนะั้นเมื่อคืนนั้นตอนไหนฟินไอฟินพีซมาละหมาดนะมาละหมาดกันเรละหมาดยาวรอยาวทุกคน ที่เป็นมุสลิมมาแต่กำหนดยังยังบนเลยเวลาละหมาดยาวๆไม่ไหวสั้นหน่อยให้มาสั้นบอกไ้วิธีพบกับความกล้าสมองแต่อักษนมันก็ให้เลือกเลยนะได้ละนี่ริงใหญ่มา เขาเกิดมาพ่อแม่ของเขาเป็นคริสเขาเป็นคริสลูกเมียของเขาก็เป็นคริสคนส่วนใหญ่ในประเทศขเขาก็เป็นคริสมาอยู่กับเรากี่เดือนอะฮะสองเดือนสองกอวา่ากว่าเขาตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตเลือกอิสลมมมามนี่อาม่าโมฮัเตเทุกคนไม่ทางเลือก เราอยู่ในอิสลามแล้วยังไม่เลือกอิสลามเลยคนคนมุสลิมเยอะแยะมากมายอยู่ในอิสลามแล้วยังไม่เลือกอิสลามยังยังยังไปเลือกสิ่งอื่นไปทไปเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นซึ้นมันเป็นมันเป็นอะไรที่ส ง, งบเป็นอะไรที่ร่มเย็นมาอยู่ในร่มเงาโอ้มาเข้าอยู่ในร่มเงาของอิสลามอะไรละไอ้บอ ทำได้เลยนะเฮียรบิาลเราุณมันอยู่ร้อนเขากระวนกระวายแล้วม็ไม่หลับไม่นอนอ่านั้งอ่านกุรอานแล้วเขาจำได้ด้วยจำได้ได้ด้วยเขาบอกในอัลกุรอานตรงนั้นตรงนี้พูดถึงเรื่องชีวิตทางดินน้าเออในกุรอานนี้เขาบอกว่าในอัลกุรอานเขาอ่านเจอแล้วว่าชีวิตถูกสร้างมาจากน้ำในอัลกุรอานมาจากน้นอะไรนะอนะนมา ayah ว่าไงนะวะวะวะ ل ล้วก็ดับบัดนี้มิ م ั ا นไม่มินี่ครับ จริงหรือขรราอยู่ในอิสลามรอเรายอยู่ในร่มเงาไหมทำมิลลาตะเราอยู่ในร่มเงาอยู่ในความสงบร่มเย็นไม่เสวินอภัยวลนวลนามวัดคนตายใครคนเป็นกับคนตายคนโมเมนต์เป็นอันโมมนต์ายกาเฟรไม่ย ถ้ามีอิสลามมันมีชีวิตแต่ไม่มีอิสลามแล้วไม่มีชีวิตเรื่องอัจฉาิยะสำคัญคุณสมบัติของอัจฉริยะต้องเคลื่อนไหวต้องมีจิตสํานึกต้องเติบโตแล้วเขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตเด็กเรียนด้ยสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตแตกต่างกันยังไงหนึ่งมีการเติบโตสองมีการเคลื่อนไหวอะสืบพันธุ์มีการสืบพันธ์นะ ้เป็นมุสลิมแล้ไม่เคลื่อนไหวไม่เคลื่อนไหวอะไรเลยเคลื่อนมันไม่กระดุกกระดิกไม่ไม่รู้ร้อนรู้หนาวเขาว่าน็ขาอ่านซ้ำๆเขาเฉยๆเขาอ่าละหมาดมันยิ่งใหญ่กว่านี้ก็เฉยๆตายแล้วตายตายเหมือนเหมือนซากศพที่เดินไตมินชีตมันต้องเลยเยียยาเยียวยาในภาษาอักฤษเขบอกว่าต้องฟื้นฟูต้องต้องเอาชีวิตกลับมาใหม่ต้องฟื้น ต้องชุบชีวิตใหม่เป็นไปได้เหมือนกันสังคมของเรานานๆความนานผ่านไปก็ทำให้คนตายเหมือนกันแต่อัลลอสุลฮะตะลาต้อกบบอกว่าคนที่ไม่มีอิสลามคนก็เฟตไม่เป็นอัมวาชนคนที่มีอิสลามนั้นเป็นอาฮยะไม่เท่ากันเหมือนกันอัลลอขอับอินะลอฮฺยุซมิอุมัยยชะอัลลอฮฺสุลฮะตะลาเนี่ยครับนี่เป็นฮักตุลลอเป็นสิทธิของอัลลุลฮะตะลา อัลลอฮฺสุวาตาลาทรงให้ผู้ที่ประสงค์ประสงค์ได้ยินจะถามว่าเรารู้ว่ารู้รู้ไหมว่าใครที่อัลลอฮฺสุวาตาลาประสงค์อ่าไปฟันธงว่าคนนี้อัลลอฮฺสุวาตาลาไม่ประสงค์มันมตรงไม่ได้จนกว่าเขาจะชีวิตเขาจากไปไม่ได้รับทางนำเพราว่าอัลลอฮฺประสงค์อัลลอฮฺประสงค์แต่เราก็ต้องโต้เถียงว่าเราได้สอนได้บอกขอเขารึเปล่าหน้าที่ของเราแต่อัลลอฮฺสุวาตาลาบอกว่ า, วาตะคูมัชอะมุตละกอ ความประสงค์ของอรรถมหาตาลานี้ ah ไม่ขึ้นอยู่กับนะสิ่งใดเป็นอิสระนะครับไม่ไม่เชยช่าว่าอันตรាយมุสเมฆมังคุณขบูรเจ้าไม่สามารถไม่ได้เถียงเรื่องทําบุญบนตายเรื่องอันตะเกิจใดก็ยกอาย่านี้ฝ่ายที่ว่าไม่มีตันตรกฑจก็ยกอาย่านี้นะคนตายแต่ว่าถ้าดูต้นครับว่าใช่แหละไม่ได้ไม่ได้ให้ยินได้ยินแต่ว่านะแต่บางครั้ง เรียกว่าอลรถาตรารตอการที่จะบอกเราว่าคนที่ไม่รู้ร้อนรุนหนาวคนที่เป็นอัมวาสคนที่ไม่คิดไม่รู้จักคิดอะไรเนี่ยเจ้าไม่สามารถที่จะทําทให้เขาได้ยินได้เจ้าไม่สามารถที่จะอทํ า, าทให้เขาอาได้ยินได้มัง่งสินโภวผู้ที่อยู่ในลุมองศพได้ยินได้ <c oughs> ไม่เเล้วเเล้วเเล้วเเล้วเเล้วเเล้วนเล้วเเล้วเเล้วเเล้วเเล้่เเล้วเเล้วเะล้วเเล้วเ้วเเล้วเเ้วเวเเ้ว้วเเล้วเเล้ว้วีเวามล้วเเล้วเ ที่จะให้มนุษย์ได้รับรางวัลตอบแทนเวต่นบีบอกไม่มีอะไรที่จะให้ห่างไกลจากไปนรกเวแต่นบีบอกนบีบอกทุกเรื่องแล้วก็บาชีกก็บอกข่าวดีว่าถ้าคนทําความดีแล้วทําความดีแล้วจะได้รับอะไรได้รับสวนสวรรค์เป็นการตอบแทนได้ร no ับรางวัลตอบแทนจากอ l l a h ละนะละนะบีก็บอกเช่นนี้ไปอินอันตาอิลลานบีอินนาอัลนากะบินฮักทีบาชีโรวันนีรอ หนใช่หมใจ่เนาะอินนาอัลนากับิับกบาชีรวะน ا ีรอเนี่ยสองสองสองคํานี้ยอินนัตแตละนีรละบอกถึงภารกิจนบีตํามหน่งข่องท่านนบีลลัลลอฮุอะลัยลมภารกิจนั้นนบีก็บชีรวะน ا ีรอบัญชีนี่คือบอกสิ่งที่เป็นข่าวดีก็จะเห็นได้ว่าแต่เราจะถ้าไปฮกมาในเรื่องของของการเรียมก็คือว่าการเราเรียกว่า บอกเรื่องที่ดีก่อนบอกเรื่องผลบุญบอกเรื่องที่จะสร้างแรงจูงใจบอกสิ่งที่จะให้กำลังใจก่อนแต่ถ้าไม่ฟังนาี่รอเป็นเตือนสัมทับนะครับถึงการลงโทษของลอสมาฮัตลาออ่าใช่อิน ว่าอิมอินแล้วก็ปฏิเสธเหมือนกันอิมมิ่อุมมะตินอิลละฟีฮานาดีก็ระเบิดอาคณาพิคุณอุหมะตินรอสูละอัลลอฮุซวยัตัลลาทรงส่งส่งมายังทุกทุกปรทชาติไม่มีรอสูลอันนี้ก็คล้ายกันอิมวอิมิงอะอุมมะตินไม่มีอุมมะใดเว้นแต่รอสูตลาให้มีผู้นาีดให้มีผู้เตือนสมนัสมาเลย ข้งสิาจาะนั้นข้เพูวอัลลอฮฺสุลฮฺตะล า, าวามากุนนะมุอะดซีมีมอะดซีบีนะตานบอัลอาฺ رسول ลเราจะไม่ลงโทษหมู่ชนหนึ่งหมู่ชนใดคนหนึ่งคนใดใครคนอะไรเจกว่าเว้นแต่เราจะส่งเว้นแต่ได้ส่งรอซูลมา ก, ก่อนแล้วนี่คือความวยุติธรรมของอัลลอฮฺสุฮตะลา ถ้าไม่มีเขาไม่รับรู้เขาไปอยู่เกาะไปอยู่เกาะนะคือสารไม่ตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กเกิดแล้วก็มป็นคนไปปล่อยทิ้งในเกาะไม่รู้เรื่องรู้ราวเกี่ยวกับอิสลามเลยอะไรเลยนะครับกินมันทุก อ, อย่างได้ขวางหน้าหรือแม้กระทั่งอะไรครับถ้ามีสองคนเนี่ยไม่มีอาหารจะกินแล้วกินเพื่อนอีกคนหน่งกินเพื่อนอีกคนหนึ่ง นะไม่รู้ข่าวรู้ราวอะไรต่างๆติดต่อสื่อสารอะไไม่ได้ทักอย่างไม่รู้ศาสนาอันนี้คนนี้อลอสวตาตลาไม่ลงโทษไม่มีไม่มีรอซูลบอกมาคุณ น, นาบวัซสิบีนะฮัตตานับอาสะรอซูลเราจะไม่ลงโทษนะจนกว่าเราจะส่งรอซูลไปยังหมู่ชนนั้นเลยอลอสวตาตลายืนยันว่าไม่มีหมู่ชนไม่มีอุมม่าไหนเว้นแต่จะต้องมีนารีนะครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะได้ นะครับอประกาศความยุติธรรมของลอสแวนเตอร์ไลน์ครับก็แต่ว่าณวันเวลาปัจจุบันนี้ทุกอย่างยิ่งเป็นหลักฐานบุกมั่นตัวของมนุษย์ผมไม่มีหนังสือครับคุณเล่นอคอมพิวเตอร์ได้ไหมได้เอาคุณเปิดใน Internet. อินเทอร์เน็ตอผมไม่มี Internet อินเทอร์เน็ตอีกมีคนสอนในข้างบ้านคุณมีสุราไม่เสียงอาญาไม่มีน ะ, ไ, ะไม่มีข้อแต่ตัวใดๆทั้งสิ้นละหมดละ ไม่มีข้ออ้างว่าผมไม่รู้กฎหมายครับต้องไปขโมอยดูเดียวบอกว่าผมไม่รู้กฎหมายครับยกก็อิสลามก็เช่นเดียวกันหรอกก็รับชะลอเราค่อยวากันต่อหลัง ร, มมรนะัฐบาลได้ยี่สิบสี่อายะจับสี่สิบห้ายี่สิบสี่จับสี่สิบห้าก็ขึ้นนะขึ้นสุรร์ชะลอขับก็ก็รอสวางตลาชจน ให้เราได้อยู่กับรกขอลอสวาตลลาได้เราได้อ่านกรานแล้วก็ได้เข้าใจกราแล้วก็เอากรานมาใช้เป็นทางนาการนินชีวิตของเราขลินเลาัสซากรุลลเป็ูรอุปโภคบริโภคอัดีบศรัอัฮอลอัลอ